พระองค์ให้เราเนี่ยตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าโดยอุปมาเปรียบเหมือนกับนบายขมังธนูที่ซ้อมยิงหุ่นฟางส่วนในสมาธิระดับอรูปปัญสาตั้งแต่อากาส า, า, นะานันจายจตนะวิญญาณันจายจตนะและถึงอากินจัญญาจตนะ 3 ส, สมาธิระดับนี้พระองค์ให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งสเพราะเขาวางรูปสัญญาได้แล้วนะก็เหลือขันธ์ทำงานอีกสี่ขันธ์ให้คนที่ได้สมาธิขั้นนี้เห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4ต่อไปซึ่งทรงอุ ป, ปมาเหมือนกันเลยก็คือในขมังธนูซ้อมยิงหุ่นฟางเหมือนกันส่วนสมาธิอีกสองขั้นตอน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 สัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งคําเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่าง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 อยู่กับรูปหุนคนที่ทำได้ยากบ้างกับรูปหุนดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นที่ภิกษุพระก้าวล่วงซึ่งรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวง